ตอนนี้บุญยังผลิตยอยู่ไหมเนี่ยยังผลิตยอยู่ใช่ไหมบุคคลที่เขาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเขาไม่ได้หวงนะว่าใครจะไปผลิตบุญจากโรงงานชิ้นนี้เออไปผลิตได้คิดได้ไม่มีจำกัดไม่หวงว่าเอ๊ ทำไมคนมาผลิตเอาบุญในโรงงานที่เราสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมากผิดปกติเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดูจากสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุศลฉะนั้นถ้าหากสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยเขาบอกว่าจิตเจตสิกเนี่ยนะที่เป็นไปในด้านของกายปัทติจิตัส ปัสสทิเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยกายะปสัสสติจิตะปัสสติเนี่ยกายะระหูตาจิตตะระหุตากายะมุตุตาจิตตะมุตุตาใช่ไหมกายะกรรมมัญญาตาจิตตะกรรมมัาตากายะปาคุญยตาจิตตะปาคุญญตากายุชุกตาจิตตะชุกตา เ, เาเนี่ยหกคู่หกคู่เหล่าเนี้ยถ้าสังเกต ด, ดูกุศลดูตรงเนี้ย ดูสภาพใจดูอย่างเงี้ยเขาจะไปทําปฏิกิริยาแห่งการที่ว่าคือจิตเจรสิกเนี่ยที่ขาดที่ขาดกายปัจสถานิจิตาปัจสถานิเนี่ยก็แปลว่าจิตมันใไม่สงบจิตที่มันไม่สงบถามว่าธรรมชาติจิตที่ไม่สงบเป็นยังไงก็คือเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรอุทธจกักใช่ไหมถ้าหาก จิตนี่นะมีอุทจจะเป็นประธานเมื่อไหร่นะอกุศลมาเป็นอุทจจะเป็นประธานเมื่อไหร่สภาพจิตไม่สงบมันเร่าร้อนจิตที่มันเร่าร้อนอันนี้คือการตรวจสอบไงเวลาเราจะเจริญทานอกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลเนี่ยตรวจสอบจิตใจดูตรงนั้นว่าเล่าร้อนไหมถ้ามันเล่าร้อนนี่บ่งบอกเลยว่าอุทจจะนี่นะ ธรรมชาติที่ทําให้ความเร่าร้อนของจิตและเจตสิกเนี่ยมันสงบเย็นไม่ได้ก็แปลว่าสองดวงเกิดไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีความสงบของจิตและเจตสิกไม่มีความสงบตรงนั้นท่านเลยบอกว่าถ้ากายปสัสสธิจิตตปัสสติเนี่ยนะ อ่อนกำลังเนี่ยแผ่ไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นไปในกุศลได้ใจก็หลุดออกจากกุศลเหมือนอะไรเหมือนปลาที่วางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนท่านว่างั้นมันดิ้นไหมมันไม่สงบมันดิน้นเอาปลาเป็นๆไปวางไว้บนแผ่นกระดานแผ่นหินที่ร้อนเนี่ยมันดิ้นไหมมันดิน้น แล้วตอนนั้นใจของคนที่ไม่เป็นไปกุศลมันดิ้นอย่างงั้นแหละมันดิ้นเหมือนปลามันร้อนมันมันร้อนมันในที่ต้องเข้าใจนะมันกระวนกระวายไม่อยู่นิ่งหรอกใครเป็นอย่างนี้บ้างถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าอุท ธ, ธจักเป็นประธานและตอนนั้นแหละลองสังเกตใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราเจริญกุศลเนี่ย แม้ฟังทมในขณะนี้นะ ถ, ถ้าถ้าอุทจักกุกุจจานี่นะ อ, อุทจักเป็นประธานของจิตเจสิกนะตอนนั้นแปลว่าจิตมันร้อนเหมือนปลาวางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนถ้าหากจิตเจสิกนี้มีกำลังถ้าสงบลงได้เนี่ยนะนะมันก็เกิดความสบายใจในกุศลธรรมเหมือนอไร เหมือนกับปลาที่เอาไปไว้ในน้ำเย็น <_ d ata> เขาเย็นใจเขาไหเขาจะชื่นใจเขาจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นนี่ก็คือสภาพที่บอกว่าสภาพธรรมที่ทำให้ความเร่าร้อนของจิตเจตสิกสงบเย็นและความสงบเย็นความเร่าร้อนของจิตและเจตสิกคือสภาพธรรมที่กำจัดความเร่าร้อนได้คือเป็นกิจจระสาของเขาถ้าอาการปลากฏก็คือภาพธรรมที่สงบเย็นจิตและจิต ความไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวก็เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอุทะจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้จิตเจสิกเกิดความไม่สงบทำกายปสัสสธิจิตตปสัสสติหมู่เจตสิกขันสาก็หมูม่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนคําว่าจิตจิตปัสสธิได้แก่วิญญาณขันเนี่ยทำให้เล่าร้อนเพราะอุทะจะเป็นประธานเพราะอุทะจะเป็นประธานแต่ถ้าสงบอุทะจะได้เป็น ความสงบเย็นเขาเรียกกายยปัสสติจิตะปัสสธิถ้าเราหูตาละ่ะเบ า, า, าแล้วว่องไวไหมว่องไวฉะนั้นลักษณะสภาพที่ทําให้ความหนักของจิตเจสิกเนี่ยนะสงบเย็นหรือสงบเย็นแห่งจิตเจสิกเนี่ยนะคําว่าเบาเนี่ยนะก็หมายความบอกว่าสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลส จิตมันหนักถ้ามันไม่เบาเนี่ยมันหนักอะไรทำให้จิตหนักกิเลสประเภทไหนทำให้จิตหนักเอา้าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอะอะไรมาเป็นประธานของจิตเข้าถีนมิถะเนี่ยทำให้จิตหนักทำให้จิตหนัก นั้นใครที่เกิดทีน้ำมิทาก็หนักอยู่งั้นเน่ยหนักเหมือนแบกอะไรอย่างเ้ยนียหนักเป็นไหมนั่นแหละสภาพหนักเนี่ยแล้วแล้วสภาพจิตที่หนักเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเนี่ยดอกไม้วางไว้บนแผ่นหินที่ที่ร้อนเหี่ยวไหมเหี่ยวเฉางอยอย่างงี้ยแหละงอยเป็นนกเจ็บ จเจริญกุศลอยังไงรู้หน้าตาเขาไม่ชื่นบานไม่ผ่องใสหรอกฮก็นนั่งเรียนกุศลก็เรียนแบบหน้าเศร้าๆงั้นไงเคยเคยเป็นไหมหน้าเศร้าๆไม่รู้เศร้าอะไรกันหนักกันหนาเนี่ยนะเศร้าซ้อยมากไม่จริงเป็นเลยยอมเจ้า มีสองอย่างอย่างนี้ก็เรียกจิตมันหนักมีสองอย่างนะถ้าไม่หนักก็ฟุ้งอยู่งั้นนะไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ไหมแก้สมาธิเอาสมาธิมาแก้ก็หลับเ <c oughs> พรคนเป็นมิจฉาสมาธิางไงไอ้ท่านว่าเอาถ้าพยายามจะกระตุ้นไม่ให้มันหงอยหงอยก็ฟุ้งแก่ยากจริงๆใช่ไหมเพราะ แล้วก็ใช้อกุศลแก้อกุศลเป็นงั้นแหละแล้วอย่างเงี้ยต่อให้ตั้งโรงงานใหญ่ใช่ะหน้าจะผลิตบุญได้ไหมไม่ได้บุญไม่ออกอ้าวไปร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โพธิยาลัยก็ไปนั่งง้อยหมอยอยู่ให้เยอะเนี่ยนะเขากล่าวคำถวายก็ไปกล่าวกับเขาไปเมตเสร็จก็ได้บุญแล้วก็มาหง่อยต่อ เนี่ยนะไม่ได้คือคือกุศลมันได้แวบเดียวแวบเดียวนะเขาบาปกระแทบาปกระแทกนี่จิตมันหนักเนาะส่วนจิตเจสิกไยที่มีกำลังแรงนะก็แผ่ไปในกุศลธรรมเหมือนอะไรแหละเหมือนดอกบัวดอกบัวใส่ไว้ในน้ำที่เย็นๆน้ำเป็นไงดอกบัวเป็นไงเออนั่นแหละก็สดชื่นตรงนั้นแหละ ตรงนี้ก็คือไปพิจารณาสภาพที่กําจัดความหนักของจิตใจเจตสิกเป็นต้นได้ก็คืออาการปรากฏก็คือว่าไม่หนักไม่เชื่องช้าเลยนะเบาและว่องไวและก็จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีระหูตานะกายะระหุตาจิตตะระหุตามูทุตาอันี่ก็แปลว่ามูทุนี่แปลว่าอ่อนเนาะอ่อนทําให้ความแข็งกระด้างของจิตเจตสิกสงบเย็นได้และความสงบเย็นของจิตเจตสิกอะไรทําให้จิตแข็งกระด้าง อกีเลตอะไรเออใช่ทิฏฐีกัมมานะใครมีไหมทิฏฐีมานะเนี่ยนี่แหละสภาพเป็นแข็งมันมันแข็งนะมันหนักมากเพราะว่ามันแข็งกระด้างในกุศลรธรรมทั้งหลายคือทาหารเนี่ยทาหารกล้าเวลาอยู่เผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยเขาเขาข้ามหันกันไหมเขาแข็งไหมแข็งกระด้าง ที่นั้นกรณีที่จิตเนี่ยนะพวกมีทิฏฐิมานะเนี่ยเขาจะแข็งใสกุศลเขาไม่ยอมงองให้กุศลเลยอเห็นกุศลเนี่ยเขาโอ้โ oh, หไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมมุมไหนก็ไม่ยอมเขาจะแถไปทุกเรื่องเนี่ยนะเพราะว่าเขาเขาาแข็งอะ่ะถ้าเป็นกุศลอะถ้าเป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยเขาแถบไปได้ทุกเรื่องอะ่ะเพราะเขาแข็งเข้าใจไหม เขามีมานะจัดแล้วก็มีทิฏิกล้าเหมือนทหารกล้าเขาพกเขาเขียนว่ากุศลเนี่ยสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยเขาไปเชิญหน้ากับศัตรูเขาคนที่มีทิฏิมานะเยอะๆเนี่ยนันจะเป็นแบบนี้เขาไม่ยอมถอยจากวงล้อมจากศัตรูแต่ถ้าทหารกล้ากลับมาอยู่ในวงล้อมของหมู่ญาติเป็นที่รักอ่ะทหารกล้าอ่อนโยนไหมอเออเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละถ้าหากว่า เป็นที่มีมุทุตาเนะกายเย้ากายยะมุทุตาจิตตามุทุตานะาาาาานะความอ่อนจิตเจสิกเนะี่ยก็เหมือนทหารกลา้าอยู่ในวงล้อมของญาติเป็นที่รักเขาจะมีความอ่อนโยนนี่เขาจะอ่อนโยนในกุศลฉะนั้นสังเกตว่าถ้าใจเราอ่อนโยนต่อทานนะกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนี่ใช่แล้วอันนี้ใช่กุศลแน่แน แต่ถ้าไปเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใครใใครไปทําทานเฮ้ยคนคนนี้มันกิชอบคิดหน้าอะไรเงี้ไม่เอาล้วเห็นไหมทั้งๆที่เขาทาบุญแท้ๆเนี่ยเอาละแซงทําเหมือนเอาไปใหญ่เลยนะที่แทนที่จะได้บุญกล <c oughs> <c oughs> เป็นม่ยอมแก้อเอาหน้าหรือเปล่ า, เ, าเนี่ยอะไรก็ไปใหญ่เลยตอนเนี้ยอทําไมทําทําใหญ่ยังเราไปใหญ่เลยตอนเนี้ย ไ ม, ไม่ไปดูแล้วไปตรวจสอบดูแล้วไม่จริงใ้อะไรหรอกโอภัยใหญ่แล้ว <c oughs> นี่เป็นแทะมีอะไรมากแท้ที่จริงเนี่ย <c oughs> เขาไปเอาบุญเหมือนคนไปอินเดียเนี่ยโห <c oughs> รับไม่ได้รับไม่ได้ อะไรสกปรกเมื่อดูเขาให้ไปเจริญบุญไปผลิตโรนงานลงบุญไม่ไปทําไม่ยไม่ไปทําอย่างนั้นเนี่ยเออไปดูแล้วไม่ได้บุญกลับมาไม่รู้ไปได้อะไรไม่เนี่ยจิตเจตสิกมันหนักนะั้นเป็นความแข็งกระด้างสภาพที่กําจัดความแข็งกระด้างจะได้เนี่ยจิตของกุศลที่เป็น มูทุตานี่นะความอ่อนนี่นะถ้าจิตแข็งจะถูกกําจัดถูกกําจัดเขาจะกาจัดทิฏฐิมานะแล้วก็กําจัดแข็งก็กําจัดแข็งก็กําจัดมันจะอ่อนไหมอ่อนกุศลแต่มันจะแข็งกับอกุศลนะเออจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอากุศลนี่ไม่ไม่เลยแต่ถ้ากุศลนี่จะอ่อนโยนมากอา่ถามบอกว่าถ้าหาันอยู่ในหมูองค์ของญาติเนี่ยให้ฆ่าญาติตัวเองเอาไหมไม่เอาเขาไม่ทำหรอก เหมือนกันนี่เหมือนกันก็จะอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่ามีใครจะมาทําร้ายญาติเขาก็ป้องกันไหมนี่เป็นอย่างเงี้ยดารของสภาพของกุศลจะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตใจเราจะเป็นแบบนี้เอาใครเคยเป็นสังเกียตใจกันอย่างนี้ไหมต้องเจาะเข้าไปดูฐานความคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมในขณะที่เจริญกุศลถ้าไม่เจาะไม่วิจัยไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้บุญมันเกิดเกิดแบบนี้ แล้วก็สังเกตเดินจิตในลักษณะอย่างเนี้นะนั้นเทสติมานะเนี่ยจึงเป็นประธานทาให้จิตเจรสิกนั้นเนะี่ยความเบาก็คือความไม่หนักความไม่หนักอกุศลจิตนี่หนักไหมเพราะมีโมหะประกอบไงคือถ้าใช้คําหนักๆ ก, ก็บอกว่าถ้าโมหะเป็นประธานของจิตแล้วมันกระบฏต่อความดีกระบดต่อความดี มุทุตา<น>ก็เป็นความอ่อนเพราะไม่กระบดความดีก็ไม่กระบดต่อพระพุทธเจ้าอะใช่ไหมไม่กระบฏต่อพระพุทธเจ้านั่นเป็นความเบาของธรรมเนี่ยน ะ, นะความเบาของธรรมนี่จิตเจตสิกที่เกี่ยวกันในเรื่องของควรเนาะเหมาะนะเขาแปลว่าไงเนี่ยกรรมยัญญาเนี่ยกรรมัญญาก็คือควรน่ยนะสภาพที่ทําให้ ความไม่ควรในการงานที่ดีของจิตแเจสิกคืออะไรกําจัดนะเขาสภาพที่เขาสงบได้สงบความไม่ควรของจิตเจสิกได้กําจัดความไม่ควรได้เขากําจัดความไม่ควรของจิตเจสิกได้จิตเจสิกที่มีกรรมมัญตาเนี่ยนะก็อ่อนกําลังที่ถ้าไม่มีนะมันอ่อนไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ในกุศลได้ตามป่าถนาปลิวไป มันจะปลิวไปเหมือนกับเขาเหมือนเหมือนกับแกลบหรือเหมือนกับลำมันนะที่เขาคว้างไปทวนหลมมันมันปลิวหายไปหมดเลยนั้นธรรมชาติที่ให้สังเกตว่าคนบางคนเน่ยตั้งอยู่ในทา น, นากุศลตั้งได้แป๊เดียวมันปลิวหายไปแล้วตั้งปุปกก๊บก็ปลิวไปแล้วเอาใครระลึกได้เป็นงั้นไหมมันปลิวบ่อยไหมพอระลึกปุป๊บเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ฐานได้ที่ตั้งแห่งการเจริญบุญไปผลิตฐานไว้แล้วเนี่ยนะอ้าวสมมุติเนี่ยไม่สมมติเรื่องจริงเนี่ย อันนี้มาถวายแล้วใช่ไหมยายาเนี่ยแก่จิบพอเนี่ยถวายถวายปุ๊บพอพอตั้งโรงงานนี้ปุ๊บอ่ามันมันมันตั้งได้แป๊บเดียวอย่างนี้สมมตินะแป๊บเดียวเนี่ยปิวหายไปแล้วเหมือนกับโยนแกบทวนลมไม่หายยไหายไปไหนเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยนะ อันที่ลืมด้วยใช่ไหมตามเลยลึกไม่ได้ย้อนเลยลึกก็ไม่ได้จําไม่ได้คิดก็ไม่ออกฟันเปือเลื่อนเลือเนี่ยเนี่ยนี่หายไปแล้วอันี่หายไปแล้วเนี้ยนี่ย่าง้เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติอย่างนี้เขาเรียกมันไม่เหมาะมันไม่สามารถตั้งได้ในกุศลได้ตามปรารถนามันไม่เหมือนกับแท่งทองนะแท่งทองโยนทวนลมเนี่ยมันทวนไปได้จริงๆนะแล้วแล้วก็ไปตกทวนลมได้จริงๆด้วยไม่ปลิวหายไปด้วยยังเห็นอยู่นั่นแหละโยนไปทวนลมปุ๊บก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละเห็นไหมแท่งทองก็เห็นเป็นแท่งทองอยู่นั่นเลย ลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเหมาะเหมาะคือสามารถตั้งได้ไดในกุศลได้นานนะตั้งได้และกําจัดกําจัดความปลิวความไม่ควรได้นะนี่เป็นความสมบูรณ์ของจิตแเจติเกิดขึ้นก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าปาคุณยะปาคุณยะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยสภาพที่ไม่ป่วยไขย้ไม่เสียดแทงเนะ ะนั่นแหละจิตที่ไม่คล่องคืออย่างนี้เข้าใจเอามาในต้องการพูดโดยอัถะสั์เนี่ยก็คือหมายความว่าคือคนไข้เนี่ยเขาเดินคล่องไหมฉะนั้นกลุ่มนิวรนทั้งหลายเนี่ยนะกลุ่มนิวรนทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันเป็นความป่วยไข้ของจิตนนเอ ความป่วยไข้ของจิตฉะนั้นกิเลสเนี่ย น, นะความไม่เชื่อความไม่เลื่อมใสในพระธรรมตรยัยไม่เชื่อกรรำไม่เชื่อผลของกรรมใช่ไหมไม่เชื่อมั่นในคุณของพระธเจ้าไม่เชื่อมั่นในคุณของพระธรรมไม่เชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์ก็แปลว่าจิตมันป่วยจิตมันป่วยแล้วตอนนั้นนะจิตป่วยแล้วจิตมันเป็นโรค จิตมันป่วยถูกปุ่ถูกโรคมั น, มนเสียดแทงอกุศลธรรมประกอบไปด้วยอสัตย์ทยะเนี่ยนะอสัตย์ทยวะวัตถุไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหมอไม่เชื่อตนเองป่วยไม่เชื่อแล้วพอไม่เชื่อว่าตนเองป่วยก็ไม่ไปหาหมอบางทีเชื่อเหมือนกันว่าป่วยใช่ไหมแต่ไปคิดว่าป่วยธรรมดานานๆฟังก็ได้ธรรมะ ว่างั้นนี่ยก็เหมือนกับว่าเออเราเนี่ยฟังบ้างคืออยากฟังก็ฟังอะ่ะมันไม่มีศรัทธาก็อย่าไปฟังเลยว่างั้นแทนที่ไม่มีศรัทธาน่าจะเล่งฟังเร่งฟังใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่มันจะมีศรัทธามันเกิดเองได้ไมโอ้ <S <S โหมันต้องปรุงแต่งให้เกิดก็เราคิดเองมันไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยคิดใช่ไหมใช่เราคิดเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยคิดก็เรารักษาโรคนี้ไม่ได้ต้องอาศัยพุทธเจ้า พระเจ้าจะได้รักษาให้พระเจ้าบอกอย่างไรก็อย่าแข็งอย่ากระด้างอย่ามีทิฐิมานนะก็โอนตามอ่อนตามท่านท่านให้เสียบสายน้ําเกลือก็เสียบไปเลยแต่ท่านบอกว่าอย่าเน่ยถอดสายน้ําเกลือทิ้งนะอย่างเราต้องให้พระธรรมไหลอยู่ตลอดไหมยังยังต้มต้องไหลตลอดถอดสายน้ําเกลือออกมาเลยเดี๋ยวอาการกําเริบเดี๋ยวอาการกําเริบถอดไม่ได้ ไปสอนหนังสือก็เสียบสายน้ำเกลือไปเข้าใจไหมเอาใครที่เป็นนักสอนทั้งหลายเนี่ยเสียบสายน้ำเกลือเสียบสายน้ำเกลือเอดีทั้งนั้นนะเสียบนั่นแหละใช่หเอาแล้วตอนตอนสอนก็ต้องสังเกตไปด้วยน้ำเกลื อ, อไหลไหมถ้าอย่างนั้นน่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเกิดไอ้โรคเก่ากาเริบมันจะพูดด้วยความเมามันเนี่ยแล้วเดี๋ยวโทรศเกิดดีพูดเจริงไม่จริงเพราะมันต้องอาศัยการงานกับการพูดมันบาปเยอะเหมือนกันนะพูดเนี่ยไหนบาปมันออกมาทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละมันไม่ได้อาศัยช่องอื่นออกหรอกอาศัยช่องนี้แหละกายกรรมบัีกรรมมโนกรรมนี่แหละออกใช่ไหม ถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าอู้เนี่ยเราเป็นขนาดนั้นแหละเดินไปพิจารณาของไอ้ฟ้าก็เสียบสายน้ำเกลือไปอย่างเนี้ยแต่เดี๋ยวากทีมันลืมลืมจริงๆนะเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่ามือกุศลธรรมที่เกิดจากอาัตทยธรรม เป็นโรคความเจ็บป่วยความเสียแทงอย่างจิตเจสิกที่ถูกอกุศลธรรมประกอบด้วยอศัศจรรย์ธรรมเนะี่ยนั่งสถิตอยู่เขาเรียกว่าจิตมันป่วยจิตมันมีโรคถูกโรคคือกิเลสคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาจิตนั้นก็ไม่เชื่อไม่สนใจในทานอกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้งสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาไม่เชื่อเลยอ่ะจิตไม่มีศรัทธาเป็นธรรมที่ฝึกนะมันฝึกยากถ้ามันอย่างนี้เราจะไปฝึกยังไง ท่านในขณะที่เราไม่รักษาโรค ก, ก่อนใช่ไหมป้านั่นแหละพระธรรมของพระศ า, าสดานั่นแหละคือยาพระบรมศาสดาก็คือหมอเนีไงนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เอามาปัญญายธรรมจงมาต้องเสียบสายน้ำเกลือไหมต้องเสียบถ้าตอนไหนถอดออกมามีอาการนั้นนะเนี่ยพราะามาเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีอย่างเงีมาก็อาการไม่ค่อยดีเออประหลาดตรงนี้ว่าต้องเสียบสายน้ําเกลือมาสอนนี่ไหมเอามาก็องลองต้องลําบากกันใช่ไหม เนี่ยจะได้เห็นความพลุงพลังเข้ามาว่าอมาก็ต้องเสียบสายน้ำเกลือมาสอนต่คือให้พระธรรมลาดร้ในใจตลอดถ้าอย่างนั้นอ่ะผิดพลาดขึ้นมาก็นั่งฟังธรรมอยู่ดีๆเดี๋ยวอะไรที่ฐิมานะากินอีกแล้วจะแค่ไหนวะอะไรไปอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยบางทีอามาก็มีคิดเนียบางครั้งนเนี่ยถามอยู่ได้แค่ไหนว่าเอามาน้าเกิดอีกแล้วอะไรงเงี้ยเนีก็ต้องสมมติเนี่ยก็เกิดใช่ไหมต้องระวังไหม ต้องระวังเพราะาเราต้องมาเจริญบุญเนี่ยเรามาเจริญบุญเนถ้าให้บาปเกิดก็ยุ่งเลยเด้ยวยนะต้องไม่ให้บาปเกิดทีนี้ถ้าหากว่าเป็นป่าคุณ ญ, ญาเนี่ยแปลวคล่องแค่ว้มไหมมันหายป่วยแล้วแต่นี้ยคนหายป่วยก็เดินเร็วขึ้นไหมเดินรวยขึ้นกินอาหารได้อะไรได้เอา้าถ้าใครอยากจะรู้ว่าจิตเราป่วยหรือไม่ป่วยนะ เอาจะให้โยมแก้วภาลนาทานกุศลอาาา้าวภาลนาถ้าจิตไม่ป่วยจะต้องคล่องเลยเห็นไหมเอาปลาลบทานน่ะเอาอาคารก็ได้ที่ตะวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปอาคารเห็นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยรูปอาคารเนี่ยเนี่ยพอทีย่ยาลายนะเหนไหมเห็นอาคารอย่างงี้เลยเมื่อวานได้ข่าวไปยังไม่โยมแก้วอ้าวลองทิศไม่ได้ไปเลย อ๋อไม่ได้ไปอ๋อยอมดออรร ด, ดาเนี่ยเอาไม่ได้ไปโอ้โหไม่ถ้ายอมบรวารไม่นั่นเดี๋ยวประธานเขาพิจารณาก่อนอ๋อใช่ไหมคือถ้าถ้าคล่องนี่นะแปลว่าจิตไม่ป่วยจิตไม่ค่อยป่วยอันนี้จริงจริงนะ พอมองปั๊บแต่บางคนอาจจะพูดมาไม่ได้ก็ได้ใช่ัหยวันนี้คขอิงช่วยจะมาคิดได้ใจอ๋อให้สอบข้อเขียนนี่ก็เยอะเนอะจริงๆน่าทำนะลองดูไหมพรุ่งนี้ขอดูหน่อยได้ไ้มเนี่ยก็ใช่สิ อยากจะดูอย่างใช่ไหมลองทำการบ้านหน่อยไหลองเขียนเขียนมามาดูหน่อยว่าเราจะปารบเป็นทานะกุศลอย่างไงเนี่ยเออปารบสีปารลบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสปารบทานอารมอ์ใช่ไหมอันนี้ชื่อว่างห้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อาคารถ้าด้านของพระสูตรที่อยู่อาศั ย, ศยใช่ไหมถวายแจ่พระรัตนตรยัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยลองช่วยไปเขียนไม่นี่ตั้งโจทย์ให้แล้วเนี่ยแล้วไปพรลลานาไม่ดูใช่ไหมเอามาว่าจะจะได้บุญด้วยนะแล้วเบ็ดเสร็จก็เป็นสูตรสําเร็จท่องเลยแล้วหาไปคนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมสมมติถ้าเรายังนั่นเนี่ยดีไหมโยบวาส อ, อยากเขียนเหมือนกันใครจะพรลลานาได้ได้วิจิตเนี่ยนะอ่านแล้วเอามาหูเอามาจะได้เอาเป็นแบบฉบับเลยเวลาไปอินเดียเนี่ยเอามาได้ไปไขขวดไปพิจารณา มาก็อยากได้ต้นแบบในการเจริญทานกุศลใช่ไหมจะได้เป็นแหล่งเป็นเป็นวิธีการเนี่ยในการน้อมเจริญบุญใช่ไหมน้อมเจริญบุญเพื่อให้บุญตาบุญใจยยเกิดขึ้นเพราะบุญจะเป็นนมามธรรมนี่อันนี้คือรูปธรรมสรุปก็คือสีเสียงกินรสรูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทำมาลมใช่ไหมถ้าด้านพิ ส, สูตนก็คือนั่นแหละนั่นแหละคือนั่นแหละที่อยู่นั่นเองะ ที่อยู่ก็เหมือนกันกันกบภาวินยัยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคแต่ น, นี้ไปอยู่ในประเภทที่อยู่บใช่ไหมใน ย, ยะของพระสูตรภาวินยัยแต่ถ้าใน ย, ยะของอภิธรรมก็แยกเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลผลิตแล้วก็เป็นธ ร, รมมาลมทั้งหลายทีนี้ทานเจตนาเราก็รู้เนี่ยได้แก่เจตนาที่ประกอบกั บ, กบาหากุศลจิตวิบาทใช่ไหมทานเจตนาที่เป็นหม า, หากรุษจิตวิบาท ถ้าใครไปร่วมงานได้แล้วเนี่ยภรน า, าน่าจะชัดเลยในขณะที่เดินไปกายกรรมกำลังเป็นทานกนุศลเนี่ยปนมือเดินไปเป็นยังไงวจีกรรมในการกล่าวเชิญชวนท่านทั้งหลายอย่าลืมร่วมโมทนาบุญเจตนาในครั้งนี้กันทุกคนเป็นเจ้าของในการที่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระราชนะไตรนี่วจีกรรมที่เป็นทานกนุศลนั่งใข้ควรพิจารณา ทำบุญเจตนาทั้งหลายต่างๆให้เดินไปเป็นตามลําดับอโลภะก็มาเป็นประธานทําลายโลภะเป็นระยะระยะเห็นสมบัติเห็นภาวะสัมปติและภาวะวิภาวะสัมปติปัจจุปฐานะปรากฏเกิดขึ้นในใจเลยเห็นความสมบูรณ์แห่งภพชาติและจะได้เป็นปัจจัยเกี่กันเส้นภพชาติเป็นอาการปรากฏเห็นเใช่ไหมเพราะทำที่ทําที่ทําลายการกลทรงทํำลายก็คือโลภะ ทำที่ทานากุศลอนุญาอนุญาตให้เกิดขึ้นก็คืออโลภาก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นนะเข้านะเข้าก็คือทําลายไหมตัวอโลภาเจตันอโลภะทานก็เริ่มชัดเจนขึ้นใช่ไหมเป็นกุศลที่เด่นชัดขึ้นในกระแสใจน้อมถวายเป็นศรัทธาทานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกับูชาเลยนี่ก็เป็นไปตามลำดับทางนี้ก็ต่อสับปะริสทานห้าก็ได้ใช่ไหมจากการปารบอย่างเนี้ย ปารบสีปารบกลิน่นเสียงกลินล่นรสสัมปัสทำอารมณ์ไปเสร็จก็เออเป็นสัพพิสถานห้าประการยังไงเป็นศรัทธาทานยังไงเป็นสักกัดเจทานยังไงที่เราน้อมเอามาน้อมทีหลังก็เป็นได้นะเป็นอัประจรจจนาทานโอ้โหได้เป็นห้าหน้าหกหน้าสิบหน้าเลยอ่านแล้วชื่นใจเลยดีไหมห <laughs> น้าทํามเพราะเป็นหน้าบันทึกอยู่แล้วใช่ไห ต้องบันทึกให้ดีทำกรรมพวกนี้ไว้เยอะใช่ไหให้นักเรียนทำการบ้านเยอะเดี๋ยวจะลองดูดีไหมใช่ไหเพราะว่าพรารณาแล้วเราก็ออกมาค่าควรอ่านเลยเอามาอ่านพอมาเปเสร็จก็มานั่งอ่านดีไหมอ่านของใคร มาอ่านหนังสือเร็วเดี๋ยวอ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ฟังเลยใช่ไหมอย่าลืมลงชื่อเด้อเด้เดยอจะสลบับไหถ้าอย่างนี้ต่อไปคิดได้ทุกคนเลยถ้าทะลึกอย่างเนี้ยเพราะเพราะจะต้องไปนั่งตรึกใช่ไหมนั่งตรึกแล้วไถ้ควรแล้วก็เขียนในกระดาษเขียนว่าใครเป็นนักเขียนนิสัยเลยนะี่ยบางคนจะจะพูดออกมาไม่ค่อยได้นะตรึกได้ใช่ไหมแต่เขียนได้เขียนมีเวลาคิดใช่ไหม เขียน๊บบบบแล้วก็นั่งนึกโอ้แทบเดี๋ยวก็เสร็จได้ยิ่งคนคิดเร็วๆได้แลไม่ถึงสิบนาทีสิบ้านาทีนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพรรู้เดี๋ยวอยู่ที่ไหนเออได้ข่าวสับริสถานอับประการเสร็จเราแล้วได้ข่าวว่าวันนี้รูปประธานนางสัททานางกันธาและสาโพธิฟ้าธรรมาเสร็จแล้วเรื่อยู่ไปเสร็จเลยคือถ้าหากสภาพจิตที่คล่องแคล่วเนี่ยนะก็ถ้าไม่คล่องแคล่วก็จะหวั่นไหวในกุศล เอานี้เอาจับลิงอ่ะจับลิงโยนลงในน้ําเขาเขาเขากลัวน้ํำไห ม, ไมกลัวมากนะลิงเนี่ยลิงนี่กลัวน้ำเขาหวั่นไหวมากเขาเรีบตะลีจะเหลือกร้องเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าปาคุญญาตาเนี่ยนะมีกําลังแรงก็เหมือนกับว่าย่อมไม่หวั่นไหวในกุศลธรรมเนี่ยนะ เอาเจระเข้ไปลงน้ําเป็นยังไงตัวจระเข้ก็ไม่หวั่นไหวน้ําจะเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันจะคล่องมากจระเข้ลงน้ําเนี่ยก็จะคล่องมากเขาไหวได้เพลิดเพลินฉะนั้นจิตที่มีปาคุณยะตาเนี่ยนะจิตจะสิ่งที่เป็นเป็นปากุญยะเนี่ยก็คล่องมากในกุศลเนี่ยแล้วก็คล่องมากฮห คนที่ไม่มีปาคุญญาตาเนี่ยจะคล่องบาปมากพูดให้เป็นบาปกาค็คล่องทำไม่เป็นบาปก็คล่องคิดให้เป็นบาปก็คล่องคืนทั้งคืนคิดบาปได้คล่องมากอ้าเราคล่องบุญหรือคล่องบาปคล่องแค่อามากเนี่ยเขารียจิตจิตป่วยจิตป่วยต้องรักษาอาการหนักอาการหนักจิตหนักอาการหน ยมามวัดหนักไหมระการหนักเลยเนะีนยโอ้โหไม่นิดแล้วไม่นิดเลยไม่นิดเลยตรงนี้ก็คือเพิ่งพยายามนะต้องหาหมอแล้วต้องหาหมอพระเจ้าเป็นหมอนะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสุดท้ายก็คืออุชุกตาเนี่ยซื่อตรงซื่อตรงในที่นั้นก็คือว่าไม่คดงอ ไม่คดงอไม่คดงอในที่นั้นคือก ำ, กำจัดความคดงอของจิตและเจตสิกได้ตรงนี้ก็คือโดยอาธาธาธัฏฐาทตรสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะอะไรคือความคดงอของจิตมายาสาเถยยะอ้อวดพวกเนี้ยนะทําให้จิตเจตสิกคดแล้วก็งออกุศลขันเป็นไปได้วความว่าหลอกลวงปิดโทษที่ไม่มีในตนนะนะ ปิดตนเองมีโทษอยู่ก็ปิดแล้วก็ความคดโกงที่แสดงคุณที่ไม่มีจริงในตนว่าตนมีคุณ<ม>เช่นศีลไม่มีก็แสดงตนว่ามีศีลสมาธิปัญญาไม่มีก็แสดงว่ามีเช่นทานกุศลไม่มีหรอกแต่ไปบอกโอ้ยเราให้ทานมาเยอะให้ทานทั้งจริงทานกุศลไม่มีทานกุศลเป็นตัวเจตนาและตัววัตถุ<ม>เอาเจตนาเป็นประธานนะแต่วัตถุต้องเกี่ยวข้องด้วยนะ ไม่ใช่เอาแต่เจตนาแต่ไม่ยอมสละวัตถุเฮ้ยเราคิดได้แล้วทั้งนั้นสบายแล้ววัตถุเรามีเก็บไว้เก็บไว้ได้ไหมไม่ได้ถ้าคนที่มีเจตนาทานก็วัตถุก็สลักได้แต่ถ้าคนไม่มีเจตนาทานที่สละวัตถุไม่เป็นกุศลก็ได้เนี่ยนะเห็นไหมว่าท่านขับเน้นตัวเจตนาตัวประธานในที่นั้นเป็นเจตนาที่เป็นกุศล ต้องขับเคลื่อนเจตนาที่เป็นกุศลทาความคล่องแคล่วให้เกิดขึ้นในกุศลให้ได้แล้วก็ซื้อตรงซื้อตรงก็แปลว่าเดินทานในกุศลได้ศีลกุศลก็ได้ภาวนากุศลก็ได้เนี่ยนะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเป็นทานแล้วก็เป็นมหาทานก็ได้พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมหาทานได้เลยตรงเนี้นะสาเทยะ ลักษณะมายาั้นเจ้าเล่อาตถกถาท่านใช้คาว่าเจ้าเล่มีลักษณะปิดบังโทษที่ตนกระทาแล้วสาถทยะโออวดมีแสดงคุณที่ไม่มีในตนก็ดีหมู่กิเลส ท, ที่เกิดจากมายาและสาถทยะนั่นก็ดีชื่อว่ามายาสาถทยะในพระอภิธรรมก็ดีในวิสุทธิมรรคท่านแสดง อากุสลขันบางครั้งโลภะเป็นประธานบางครั้งก็มานาเป็นประธานนะเกิดโดยมากท่านว่างั้นตรงนี้ก็คือว่าจิตสงบเย็นเพราะจิตตปัสสติเบาก็เพราะจิตตาระหูตาอ่อนโยนก็เพราะจิตตะมูทุตาควรต่อการงานอันดีก็เพราะจิตตากรรมยตาคร่องแค่วชํานาญการงานที่ดีเพราะจิต ปาคุ ญ, ญาตาซื่อตรงก็เพราะจิตตูชุกตาเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงแสดงแยกธรรมนั้นออกเป็นคู่คู่เป็นกายปะปัสสติจิตตาปสัสสติเป็นต้นเนี่ยนะท่านเจิญแยกฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็มาพิจารณานี่คือสภาพของกุศลที่เกิดขึ้นในการปารกทานในกุศลนี่เราจะสังเกตนะนะ ในขณะที่ทานกุศลที่เป็นไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมทั้งหลายที่กําลังดําเนินไปอยู่ถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมนี่นะถ้าดําเนินไปยกตัวอย่างเช่นที่กล่าวไว้แล้วว่าได้ผ้าผืนหนึ่งเราปารบสีอันนี้มนไม่ใช่สีจะเป็นสีทองใช่ไหเพระวรากายของพระบรมศาสดามีสีทองเพราะว่าพระบรมศาสดานั้นมีสัพพัน นรังสีออกมาด้วยอำนาจของพาญานทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยอยู่ก็ผลักดันทําให้พยานของพระบรมศาสดานั้นที่ตั้งอยู่ที่หาทะยวตถุเนี่ยไหมทําหาทะยวตถุให้ผ่องใสมหมาปุถรลูกก็ผ่องใสทั้งหาปุถุรูปและอุปาทายรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตูเกิดจากอาหารเป็นต้นเหล่านั้นก็ผ่องใส พรรษ์มีต่างๆของพระบรมศาสดาผ่องใสด้วยสัพพัญยุตยานด้วยพระคุณอย่างมากมายเช่นนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม พ, พิจารณาอย่างนี้ก็น้อม <c oughs> เราจะนำผ้าผืนนี้ไปถวายสักการะบูชาพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้อนอะเนี่ยนะก็น้อมถือผ้าพนมมือเดินไปเป็นต้อนอะไนี้เป็นกายกรรมที่เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรดี กายกรรมเป็นอะไรเดินไปปารบไปด้วยกายกรรมเป็นเป็นทา น, นกุศลเออเรียกบุคคลอื่นท่านทั้งหลายไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเรามีผ้าสีทองไปหมพระวรากายของพระาศาสดาที่มีสีทองที่เกิดจากพระยานที่ผ่องใสใช่ไหม นิวจีกรรมเป็น ม, า, มาเป็นฐานอกุศลคิดด้วยจิตใจอย่างเดียวไม่ทํากายวาจาัยขยับเ ข, ขยื่อนเคลื่อนไหวอันนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลไปแล้วนะกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานอกุศลเป็นไปตามลําดับบอกว่าเรานี่เป็น อุบาสกอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทายาททายาทของเราประเพณีของเราจารีตของเราวงตระกูลของเราเขามีประเพณีในการที่จะต้องบูชาพ่อใช่ไบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่เดินประนมมือไปคิดถึงวงตระกูล จารีบประเพณีของอริยวงวงของพายาทั้งหลายเราเป็นบริษัทของพระผู้มีพระเจ้าเราศรัทธาพ่อใช่ไหมเพราะเราใช้มรดกของพ่ออยู่ใช่ไหมเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามีมรดกของพ่อได้มาทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราต้องการจะปรารถนาถ้าเราไม่บูชาพ่อเนี่ย พ่อจะประทานธรรมะมรดกให้ไหมไม่ได้จะไหมเราต้องเป็นเราต้องศรัทธาพ่อเชื่อมั่นในพ่อน้อมใจอย่างนี้ที่ไปเดินไปด้วยวจีกรรมเป็นศีลกุศลแล้วแต่เนี้ยพัฒนาขึ้นเป็นศีลแล้วยอมการ น, นาเป็นศีลนี่อย่างตอนเนี้ยเป็นศีลกุศลแล้วนะตอนเนี้ยพิจารณาเดินไปเนี่ยเป็นศีลกุศลแล้ว อ้าวเห็นคนก็ประกาศบอกท่านทั้งหลายวงตระกูลของเราใช่ไหมเชื้อสายของเราเราเป็นบุตรของพระผูทธภาคเจ้าเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้เมียภาคเจ้าถึงเทศกาลแล้วถึงเวลาแล้วเราท่านทั้งหลายไปบูชาพ่อวจีกรรมเป็นอะไรไเป็นศีลกุศลอย่างไร ไม่ทํากายวาจาและใจให้ไม่ทํากายวาจาให้เคลื่อนไหวน้อมจิตใจคิดถึงวงคิดถึงตระกูลเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นจารีตศีล เ, เ, เ, เจตนากระตุ้นผัสสะเวทนาสัญญาเป็นต้นเอะไรเนี้ยนะมณสิการทำศรัทธ า, ส, าสติริโอตปาโลภาโทสะตรตรมาชตาตาให้เกิดความเบาเกิดความคล่องแคล่วเกิดความสงบเย็น เกิดความคล่องแคล่วในบุญกุศลทั้งหลายเนาะมาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของเราเป็นไปอยู่ในขนาด น, านั้นเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลโอ้โหนี่ได้แล้วเอาละศีลเนี้ไปแล้วตอนนี้ยพิจารณาต่อไหมถ้าพิจารณาต่อก็พิจารณาเดินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยในขณะเดินไปใข้ควรพิจารณาไปเอ๊ รูปขันที่เป็นไปแห่งการกำลังเดินสั ก, การะบูชาวนไปอยู่เนี่ยนะเอ้มันก็แตกดับไปทุกขณะเหมือนกันเนาะเนี่ยเออรูปขันที่ผ่านมายืนอยู่ตรงนั้นมันก็หายไปแล้วรูปขันรูปกายทั้งหลายมันก็กําลังเคลื่อนไหวเป็นไปมาตามลําดับอย่างเนี้ยมันมีความไม่เที่ยงเสื่อมไปเป็นตามลําดับไหมมันเกิดจากเหตุปจัจจัยก็ใครควรมาเจาลําดับก่อนเนะ รูปขันรูปกายส่วนเนี้ยมันมาจากอาวิชาตนากรรมในอดีตกรรมาใช้รูปเหล่านี้ใช่ไหมมันเป็นผลแม้แต่นา ม, มาทำทั้งหลายที่เป็นพวางเป็นต้นเวทนาที่ประกอบกับ น, นามาทำทั้งหลายที่เป็นไปเหล่านั้นเป็นต้นที่อาศัยอสัณฐานวัตถุที่เป็นกรรมมาชรูปเป็นไปอยู่ใช่ไหมซึ่งเป็นเป็นสมบัติของบุญที่ได้มาเพราะบุญเหล่าเนี้ยกําลังดําเนินไปอยู่ แล้วก็เป็นที่ตั้งของทานนกุศลนเจตนาทานเนเจตนาศีลเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเหล่าเนี้โอ้มันมาจากอาวิชาตัญหกรรมในดีต่างๆเหล่าเนี้ยตอนนี้กําลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมาจากเขตุมาจากปัจจัยมันคือรูปนามนั่นเองเราะันเ็คือรูปนามเป็นไปไปตามลําดับ รูปนามเนียนอวิชชาตัญหากรรมไม่เที่ยงแล้วก็ผลของอวิชชาตัญหากรรมจะเที่ยงแต่ที่ไหนแม้ในการขยับยืนเดินนั่งไปต้นเป็นไปตามดับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขนาดเป็นต้นด้วยแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดินไปแล้วไข้ควรไปด้วยเงี้ยกายกรรมเป็นเป็นภาวนากุศลแล้วโอ้ยแล้วจะพาลนาได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นห้าสิบหน้าละมั้งเนี่ยดีวมาว่ามาเนี่ย สงสัยพวกนี้เอามาคุณได้อ่านสบายใจเลยวนี้ใช่มใช่มเอาสวดต่ออีตีปิโสพระกวารังสัมมาเป็นต้นไปตามลำดับใช่ไหมปาะพิจารณาเป็นไปตามลำดับใช่ไหม เ, เวทีกรรมที่เปล่งไปต่างๆเหล่านี้มันมาจากจิตเป็นปัจจัยเนาะ โอ้จิตที่คิดเป็นปัจจัยการเปล่งและการกล่าวเนี่ยจิตตชวายโยธาเนี่ยนะเป็นไปเบดเร็จก็คือมหาพูทรูปนี่อะไรที่เกิดจากจิตนะ่ยนะกระทบกับมหาพุทรูปที่มีใจคลองเนี่ยนะมีการเสียดสีกันในสายเสียงหลอดเสียงเออมีการเปล่งเสียงออกมาอิติพิโสเป็นต้นได้โอ้โหเนียเป็นต้นเป็นไปตามลำดับนะเออ สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะก็ต้องมีผวังเป็นต้นเป็นไปมีขันห้าเป็นไปอยู่เกิดจะวิชาตัญหากำเป็นต้นังกล่างๆใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นภูเป็นอนัตตาเป็นต้นใช่ไหมเออเนี่ยพิจารณาไปในร่างเนี่ยเปล่งกล่าวไปด้วยใครควรไปด้วยเสียงเหล่านั้นก็แตกดับไปเป็นไปตามลําดับด้วยมาจากเหตุปัจจัยยังไงเป็นต้นดูนิยมจีกรรมเป็นอะไรเนี่ยเป็นภาวนากุศล ยืนนิ่งๆพิจารณากายกรรมวจีกรรมเป็นต้นที่เป็นไปอยู่มาในขณะนี้นะแตกดับไปหมดแล้วใคร่ควรพิจารณาเป็นไปอยู่เห็นเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วมาใคร่ควรยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นไปอันนี้มนโนกรรมเป็นภาวนาโกศลสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาสรุปบนนี้เลยเห็นไหนี๊ยอันนี้เดินอย่างเงี้ยนี่สติปัฏฐาน อา้าตรงนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมก็สรุปประเด็นได้เลยนี่แหละการที่เราท่านทั้งหลายได้มา ล, ลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราท่านทั้งหลายที่บอกว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้กระแสของรูปน้าขันห้ามาได้ด้บุญเนาะได้บุ ญ, นะบญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดังได้กล่าวไว้แล้วว่าบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ แต่ก่อนเราก็ยึดครองว่าโลกใบนี้นึกว่าไม่เป็นผลบุญของพุทธเจ้าแต่พระศ า, าสดานั้นเคยเป็นจกาาักรพรรดิราษมาไม่รู้กี่พันโกรครั้งพระองค์ก็สละสละสล ะ, ะอันนี้เป็นผลผลพระทานบารมีของพระศาสดาเราท่านทั้งหลายได้อาศัยผลพระทานบารมีของพระศาสดานี้แหละมาประกอบอาชีวะปริสุทธิ์ที่ทั้งเครือทั้งครือัด แล้วก็ทั้งคทั้งั้งบรรปชิตพระศ า, าสดาก็เลยตรัสไว้ในธรรมทายาทสูตรเลยบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนั้นคําคำนั้นน่ะกระทบถึงภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาด้วยเราหวังอนุเคราะห์เธอทั้งหลายแปลว่าอะไรพระศ า, าสดาหวังอนุเคราะห์ทั้งอมิสมรดกและธรรมะมรดกแก่เราทั้งหลายบอกว่า เธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสถายาตของเราเลยจงเป็นธรรมธายาทของเราใช่ไหมท่านหวังอนุเคราะห์เราว่าท่านใครอันนี้เกิดจากผลเพราะบา ร, รมีของเราเธอดูโลกใบนี้ใช่ไหมอันวิจิตการตาดุดราชฉลดที่พวกคนเข่าหมกมุ่นอยู่คนโง่เขาหมกมุ่นอยู่ แต่ผู้รู้ทั้งหลายหาข้องหาติดยึดอยู่ไหมใช่ไหมเยจิตตังสัญญเมษสันติโมกขันติมารพันธนาผู้ใดรู้จักระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานนะพระศ า, าสดาตรัสอย่างนี้ว่า อ, ออย่าไปติดข้องมันมันเป็นผลผลเพราะทานอมีของเราทั้งนั้นแหละเราคลายทิ้งมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านพันรอบแล้วเธอทั้งหลายอาศัยกินอาศัยดื่มอาศัยใช้กันเนี่ย เป็นอมิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเจือไปด้วยกลิ่นคาวของราคะโทสะโมหะฟุ้งขจรว่งงางั้นเธอทั้งหลายจงใช้สอยให้พอประมาณตถาคตอนุญาตให้กับถ้าเธออยู่ในฐา น, บนะบรรญชิตตถาคตก็อนุญาตอดีเลกาาโพเห็นไหวิห้ารอเดยโยโคปาสาโทฮมียังครูหาในี่พระาศาสดาอนุญาตด้วยหมดนะที่อยู่อาศัยที่ไปสร้างกันถวายสงอะไรต่างนั้นพระาศาสดาอนุญาตไว ถ้าพระศ า, าสดาไม่อนุญาตไว้เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกเป็นพระเป็นต้นเหล่านี้คารวะทั้งหลายก็ได้แผ่นบินผืนนี้แหละที่เป็นผลพระทานวนมีของพระบรมศาสดาแหละได้มากินมาใช้มาดืม่มมากินอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเราในฐานะที่เป็นลูกของพระผู้มีพาคเจ้ามีความรักมีความเชื่อมั่นพระบรมศาสดาจริงๆเราก็ต้องบอกเออ เราไม่ต้องเอามาเราจะไม่ติดข้องอยู่แค่อามิสมรดกที่พระศาสดาขายทิ้งและเราจะขึ้นสู่นาวาใหญ่และเข้าสู่พิจารณาวิจัยธรรมมรดกเลยใช่ไหมธรรมมรดกมันมาแยกเป็นโลกิยะมรดกใช่ไหมศีลสรรมาธิปัญญาที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นไปในชั้นของทานศีลภาวนายังอยู่ในชั้นของโลกิยาเนอะที่พยายามวิจัยเป็นตัวอย่างให้ดูตรงเนี้เพื่อจะก้าวสู่โลกุตระมรดกเราต้องดื่มด่ำโลกุตระมารดกให้ได้ เราในฐานะที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นทายาทนี่เราจะต้องมีสิบได้รับมรดกระดับธรรมะมรดกที่เป็นโลกุตระมรดกสิถ้าเราไม่ได้เราก็หมดโอกาสใช่ไหมฉะนั้นเราท่านหลายเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงเราจะรู้จากมรดกของพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยเป็นนี่เราเป็นนี่พระพุทธเจ้านะนะั้น่ะเป็นปปะกาลีชนเราเนี่ย พระ อ, องค์เนี่ยทำนะพระ อ, องค์เนี่ยได้เป็นผู้ทําอุปการะให้กับเราแล้วเราต้องระลึกให้ได้ถึงจะได้กตันยูในมงคล น, นั้นถ้าเราระลึกไม่ออกระลึกไม่ได้เนี่ยเราเสียกตันยูนะเราจะเป็นอกตันยูเราไม่เห็นคุณของพระศาสดาถ้าไม่ตอบแทนคุณของพระศาสดาด้วยการดําเนินตามทานศีลภาวนาให้ชัดเราจะเป็นอกักตะเวทีทันทีเลยนะ ฉะนั้นตรงนี้เราต้องเห็นคุณของพระศ า, าสดาต้องตอบแทนคุณของพระศาสดาการเห็นคุณของพระศาสดาตอบแทนคุณของพระศาสดาพระศาสดาไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรจากเราแต่ต้องการท่าองค์หาทรัพย์มาไว้ให้เราไงคนควา้าทรัพย์มาให้เราแล้วเราเป็นลูกเนี่ยความไม่กระตันยูความไม่กระตาเวทีเนี่ยเราเลยไม่มีสิทธิ์รับมรดก เราอย่าเป็นลูกคนนั้นเราต้องเป็นลูกที่กระตันยูรู้คุณของพระพุทธเจ้ากระตะเวทีและตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าเราจะได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าระดับโลกุตระมรดกเมื่อเราได้รับแล้วเราจะได้พ้นจากวัฏฏุกจะไหมตอนนี้เราไม่ปลอดภัยพระศาสดาห่วงใยเราแบบนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ากันหน่อยดีไหมอา ล, ลึกเข็นคุณของพระพุทธเจ้า ตั้งใจนะทำกุศลให้เกิดขึ้นว่าเราจะระลึกถึงบุญของพระศ า, าสดานะจิตต้องตั้งมัน่นเลยอย่าไปกังวลเรื่องอื่นตั้งมัน่นระลึกถึงคุณของพระศาสดาเนะี่ย